จเจริญสุขท่านสาธุชนและท่านผู้ฟังผู้สนใจฝ่ธรรมทุกท่าน พบ ก, กับรายการธรรมสุสันติอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาที่กันนี้สำหรับวันนี้อาตมาขอนำเสนอธรรมบัญญายที่ได้นำเสนอตั้งแต่คราวที่แล้วติดค้างท่านผู้ฟังอยู่เป็นตอนที่สองในเรื่องวิธีปฏิบัติตนในเขตพุทธศาสานสถานซึ่งเป็นธรรมบัญญายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อระภาวนาวิสุทธิคุณ หรือหลวงพ่อพระมาหาเสริมชัยชยมังคโลเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามท่านได้บรรยายให้แก่นักเรียนคณะครูอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีได้รับฟังกันเนื่องในการอบรมพระกรรมฐานประจําปีที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามสําหรับคราที่แล้วหลวงพ่อท่านได้พูดถึงในขณะที่ทุกคน เข้าไปในเขตศาสนสถานหรือแม้แต่รู้คุณค่าของการรักษาการปฏิบัติสิ่งที่เป็นผาวรวัตถุที่เคยที่ตนเองเคยได้ใช้สอยได้ใช้ประโยชน์ในสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเขตพุทธสถานก็ดีหรือแม้แต่สิ่งที่จะให้ศิลปะวิทยาความรู้ ที่เคยได้ศึกษาเล่าเรียนอย่างเช่นโรงเรียนวิทยาลัยต่างๆก็ดีควรที่จะเห็นความสำคัญกับสิ่งสาธารณประโยชน์เหล่านั้นรวมทั้งปจชียบุคลคลเช่นครูบาอาจารย์ควรจะระลึกถึงท่านผู้มีคุณเหล่านั้นนี่เป็นธรรมะที่สอดแทรกไปในธรรมะบรรยายของหลวงพ่อที่ได้อธิบายให้แก่นักศึกษาได้รับฟัง จึงขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมารับฟังธรรมะบรรยายในเรื่องวิธีปฏิบัติตนในเขตพุทธสถานจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณในตอนที่สองโดยพร้อมเพียงกันณบัด น, นี้ อาตมาสามารถเรียนสำเร็จไปได้สองปริญญาพร้อมกันรับปริญญาพร้อมกันในชั้นปริญญาตรีแต่ว่าเขาไม่มีเกียรตินิยมให้สมัยนั้นไปให้อาชันปริญญาโทรเรียนปริญญาโทอาตมาก็ได้เกียรตินิยมก็ไม่อยากผลจากการที่ ใจิตใจเราอ่อนน้อมต่อวิทยาการต่อครูบาอาจารย์เป็นการแสดงความกระตันยูกระตะเวทีอาตมานึกเอานะมันส่งให้อาตมาได้ทำงานก้าวหน้าไปตามลำดับทำงานแม้จะมีการเปลี่ยนสาขาของงานบ่อยๆตามความต้องการของทางโลกของวิทยาศาสตร์ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาตมาในที่ทำงานนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกให้ไปเรียนต่อยังต่างประเทศบ่อยๆเนืองๆทำงานสูงขึ้นไปตามลำดับสำเร็จประโยชน์เรื่อยไปนี่เข้าใจว่าจะเป็นอานิสง์หรือผลบุญที่อาตมาเองเป็นผู้ที่มีจิตใจ อ่อนน้อมเคารพนับถือในหนังสือในบทเรียนในสถานศึกษาในครูบาอาจารย์เวลามีโอกาสได้ไปเยี่ยมครูบาอาจารย์ตั้งแต่สอนกอไก่ก็ไปเคารพกราบไหว้ท่านอาดีสงมันสงนี่อย่างโรงเรียนและสถานศึกษา แต่อาตมาเห็นอีกเด็กพวกหนึ่งตรงกันข้ามตรงกันข้ามอย่างหนักก็ครั้งหนึ่งไปเรียนต่อวิชาระเบียบวิธีการวิจัยและประเมินผลที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนแอนน์อาร์เบอร์ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนปิดภาคเรียนนั่นให้พวกเรียนปริญญาโทขึ้นไป ชั้นสูงพวกอาตมาเรียนสมัยนั้นเป็นคราวาดมันต้องปิดภาคเรียนหลังเขาพวกเด็กรุ่นรุ่นอย่างพวกเธอทั้งหลายปิดเรียนก่อนอาตมาจะแสดงให้เห็นว่าไอ้คนจิตใจหยาบกระด้างมันทำยังไง ร, รู้แล้วอย่าไปเอาอย่างประเทศเขาจึงยากจนข้นแค้นมีปัญหามากมายเพราะคนประเภทนี้มันเยอะ อย่างไรบ้างอาตมากำลังทำรายงานอยู่และก็มีเพื่อนอาจารย์คนหนึ่งขณะนี้คือท่านาศาสตราจารย์ด็อเตอร์ลืมชื่อไปนามสกุลแย้มกลิ่นฟุง้งประเสรศิฐแย้มกลิ่นฟุง้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็นั่งเฝ้ากันอยู่ดึกดื่น พอนั่งไปนั่งไปดึกๆปรากฏว่าน้าร้อนมันท่วมขาขึ้นมาค่อยๆท่วมขาขึ้นมาเกือบครึ่งน้องอะไรมันเกิดขึ้นน้ำมันมก็ไหลาบาในชั้นนั้นเต็มไปหมดเดินไปดูน้ำร้อนควันขงมงทั่วไปหมดปรากฏว่าไอ้พวกเด็กนักเรียนจากลาตินอเมริกันพวกอเมริกาใต้ มันคึกขนองมันปิดโรงเรียนเด็กเล็กๆพวกๆอย่างขนาดพวกเธอนี่แหละขนาดเดียวกันมันเก็บข้าวของมันไว้บนหิ่งพรุ่งนี้ตีสี่ตีห้ามันจะพากันกลับปิดภาคเรียนมันก็แกล้งอากตันยูต่อสถานศึกษามันแกล้งมันทำยังไงมันเอากระดาษทิชชู่สีน้ำตาลซึ่งถูกน้าแล้วมันเหนียว เขาสำหรับเช็ดโน่นเช็ดนี่เช็ดมือเช็ดไม้มันก็ดึงออกมาปิดปิดไอ้ที่ทางที่น้ําจะผ่านไหลไปนั้นปิดหมดเอาน้ํายอดหยอดหยอดยอดปิดหมดปิดหมดตามโอ่งตามอ่างตามอ่างอะไรเปนปิดหมดเสร็จแล้วมันก็เปิดกรวยน้ําร้อนอย่างเดียวเปิดไอ้ฝักบัวน้ําเย็นไม่เปิดเปิดน้ําร้อนอย่างเดียวเต็มที่เลยน้ําร้อนก็ไหลบ่าควันขมงไอ้คนจะมาปิดก็มาปิดไม่ได้เพราะน้ําร้อนมันสาดเอาควันขโมงเต็มห้อง หนักๆเข้าเจ้าหน้าที่กว่าจะรู้ตัวกว่าจะได้มาน้ามันครึ่งน่องเข้าไปแล้วเขาต้องใช้บุคคลที่ต้องเครื่องบุคผจนเพลิงเข้าไปปิดน้าร้อนนั้นจึงได้แต่เกือบตายกว่าจะเอาน้ำร้อนออกหมดพรมที่ปูไว้เสียหมดหมดทั้งที่พักชั้นนั้นหมดเลย นี่แสดงถึงความหยาบกระด้างของบุคคลชนชาตินั้นอาตมาก็เลยเห็นฝังใจมาว่าพวกละตินอเมริกันนี่ยแย่มากเดี๋ยวนี้ชนชาติเขตนั้นนะเดือดร้อนกันหมดเลยไปถึงบราซิลเพราะชนชาติมันไม่ดีมันอยากจะกระตัญยูใครมันจะทําอะไรที่ไหนอย่างไรมันก็ทําตามอําเภอใจบาปกรรมมันตามสนองทีนี้อาตมามาถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้แหละ ควรจะทำอย่างไรควรอย่างนี้นะนี่แหละที่พวกเธอทั้งหลายขึ้นมาทำถูกต้องนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่งฟังธรรมเมื่อมีนั่งต่อพระพักพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระภิกษุ พระสงฆ์ผู้แสดงธรรมอยู่แสดงความเคารพเริ่มตั้งแต่นั่งเรียบร้อยแต่งกายเรียบร้อยบางท่านไม่เข้าใจขณะนี้ไม่มีไม่เห็นสมัยก่อนมีนักเรียนนักศึกษามาบางคนไม่เข้าใจ นั่งฟังธรรมก็นั่งในท่าต่างๆที่ไม่เรียบร้อยเช่นยกเข่าชันขึ้นเอามือกอดเข่าหรือนั่งเอาแขนทั้งสองทอดไปข้างหลังให้มันสบายหรือนั่งไขว้าขาเรียกว่าไขว้ห้าง อย่างนี้เป็นต้นบางคนยกเท้ายกแข่งยกขาชี้ไปทางพระความไม่เรียบร้อยทั้งหลายเหล่านี้เป็นการไม่แสดงความเคารพสถานที่บางคนคุยกันไม่ฟังพระธรรมเมื่อไม่ฟังก็ไม่ได้ของดีของดีอยู่ในพระธรรมนั่นแหละแต่วันนี้เป็นที่น่าชื่นใจ เธอทั้งหลายเรียบร้อยนี่ถูกต้องแล้วแล้วจะบอกอานิสงค์ของความถูกต้องอานิสงค์ของความถูกต้องพระพุทธเจ้าตรัสไว้อภิวาทนศสีลิสสนิจังบุต ธ, ธาปจายโนจัตตาโรวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังบุคคล ผู้มีปกติไหว้กราบอ่อนน้อมประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่เนืองนิดฟังให้ดีพรสีประการคืออายุนี่อายุยืนวันนะเป็นบุคคลที่จะมีชั้นของตนหรือฐานะของตนที่สูงขึ้นอายุวันนะสุขะความสุข อายุวั น, นะสุขะพละมีกำลังกำลังอะไรกำลังกายและกำลังสติปัญญาความสามารถนี่มีอย่างนั้นเชียวนะอายุวั น, นะสุขะพละอายุเป็นบุคคลมีอายุยืนวั น, นะเป็นวั น, นะดีคนเราเกิดมาเลือกที่เกิดไม่ได้จึงอยู่ในฐานะต่างกันในเบื้องต้น ตามที่เราเกิดบางคนก็เกิดในฐานะดีบางคนก็เกิดในฐานะปานกลางบางคนก็เกิดในฐ า, า, า, า, านะต่ำเป็นผลจากผลบุญและผลบาปอกุศลทั้งสิ้นแต่ว่านั่นเรื่องเราแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ให้แน่ใจเป็นปัจจุบันธรรมเดียวว่าถ้าเรากระทําความดีอย่างน้อยที่สุด คือประพฤติอ่อนน้อมท่อมตนต่อผู้ใหญ่โดยชาติวุทธอย่างเชนเ่นเจ้านายเชื่อพระวง์ตั้งแต่ชั้นสูงสูงลงมาตามสมควรแก่ฐานะเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาะ พระราชโอรสพระราชธิดาเป็นต้นท่านเหล่านี้เป็นอยู่ในฐานะสูงก็เพราะบุญบารมนะีไม่ใช่คนไม่มีบารมนะีเพราะฉะนั้นความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนกับท่านเหล่านั้น จึงเป็นบุญเป็นกุศลแสดงว่าเราเข้าใจถึงคุณความดีบุญบารมีที่ท่านมีอะไราที่ท่านประพฤติปฏิบัติโดยชอบเป็นประโยชน์แก่พระองค์เองเป็นประโยชน์แก่ประชาชนเรามองเห็นเมื่อเรามองเห็นเราก็เข้าใจความดีเป็นความดี เราก็เคารพนับถือตามฐานะลงมาถึงวัยวุฒิผู้ที่มีอายุมากรู้โลกมาก่อนเราเคารพนับถือท่านไม่เสียหลายคุณวุฒิผู้ที่มีภูมิธรรมภูมิปัญญาวิทยาการความรู้สูงกว่าเรา สูงสุดก็พระรัตนตรัยพระพุทธรธรรมประสงค์รองลงมาก็คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ตลอดทั้งผู้บังคับบัญชาของเราถ้าว่าไปทางานทาการใครรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนใครรู้จักเคารพกราบไหว้ต่อบุคคลที่ควรเคารพกราบไหว้ต่อสิ่งที่ควรเคารพกราบไห ว, ว, ว, ว, ว้ตามฐานะ หรืออ่อนน้อมถ่อมตนตามสมควรเช่นว่าพระพุทธธรรมประสงค์ก็เคารพกราบไหว้เต็มที่ละพ่อแม่ก็รำลึกถึงพระคุณเชื่อฟังท่านโดยชอบไม่ละลาบละล่วงท่านไม่ทำให้ท่านต้องเสียใจไม่ล่วงล้ำกรรมเกินครูบาอาจารย์เราก็าให้ความเคารพนับถืออย่างนี้มีอานิสงมีผลบุญ นี่แหละผลบุญเกิดอย่างไรเป็นคนมีอายุยืนมีวันณะที่ดีขึ้นได้เจริญพรไว้ว่าเกิดมาเลือกที่เกิดไม่ได้เองเป็นไปตามผลบุญผลบาปแต่ว่าธรรมะอันเป็นปัจจุบันธรรมเราทำได้แล้วส่งผลให้เป็นผู้ที่มีอายุวันนะสูงขึ้นไปได้เธอจะเห็น บางคนน่บางทีก็อยู่ตามท้องไร่ท้องนาแต่ว่าในชีวิตเป็นเด็กก็เป็นคนดีศึกษาเล่าเรียนดีมีความเคารพกราบไหว้บุคคลที่ควรเคารพกราบไหว้นับถือบุคคลที่ควรนับถือโดยชาติวุฒโดยคุณาวุธโดยวัยวุฒดูให้ดีเธอสังเกตให้ดี บางคนไม่ได้เกิดในตระกูลสูงเลยเกิดในตระกูลชาวนาหรือแม้แต่ตำต้อยไปยิ่งกว่านั้นอีกแต่เขาขยับฐานะของเขานี่วันณะมันสูงขึ้นด้วยลาบด้วยยศ ด, ด้วยสัการะสันเสริญสุขที่สูงขึ้นนี่วันณะมันสูงขึ้นมีเยอะแยะไปนั่นเพราะผลบุญนเพราะพุทธเจ้ารับรองไว้อายุวันณะสุขะมีความสุขสุขกายสุขใจ พระมีกำลังทีเดียวกำลังกายกำลังสติปัญญาความสามารถตรงนี้สำคัญนะักกำลังกายพอธรรมนุบบำรุงให้มันมีได้แต่กำลังสติปัญญานี่มันด้วยบุญนะด้วยบุญบารมีนะที่มันหนุนเนื่องมานะบางคนมีความรู้แต่ไม่มีสติสัมปันปัญญาที่ดีเป็นคนประมาท ลงท้ายก็ชีวิตไปไม่เท่าไรก็ไม่เจริญรุ่งเรืองเท่าที่ควรปะเหมาะลงต่ำไปเลยมีเธอสังเกตดูให้ดีมีความรู้แต่ไม่มีคุณธรรมบางคนมีความรู้แต่ไม่มีความสามารถนี่ก็เรื่องสำคัญนะความสามารถนี่บางคนรู้ขั้นปริญญาตรีมีความสามารถเต็มตามระดับปริญญาตรี บางคนมีความรู้ขั้นปริญญาโทมีคุณความสามารถเต็มขั้นปริญญาโทบางคนมีความรู้ในระดับใดระดับหนึ่งแต่ความสามารถเกินระดับนั้นมีอยู่บางคนมีความสามารถต่ำกว่าระดับมีอยู่บางคนจบปริญญาตรีหลอกแหลกหลอกแหลกหางานทำไม่ได้เตะฝุ่นทั้งวันหนักเข้ากับลงต่ามีมนี่มีความรู้ไม่มีความสามารถ มันเป็นเรื่องของบุญบารมีนะนักศึกษาต้องเข้าใจในี่มาสู่สถานที่นี้ให้เข้าใจเรื่องผลบุญผลบาปเพียงแต่พระพุทธ อ, อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่รู้จักกราบไหว้ปูชนียวัตถุปูชนียบุคคลเช่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือบุคคลที่ควรเคารพกราบไหว้รู้จักนับถือ ไม่ล่วงเกินบุคคลที่ควรนับถือไม่ควรล่วงเกินพระพุทธองค์รับรองทีเดียวจะเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละอย่างนี้เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายมาในวันนี้เริ่มต้นเบื้องต้นอย่านึกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยคือรู้ว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรในสถานที่อย่างนี้ แม้กระทั่งว่ารู้ต่อไปอีกว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ฟังธรรมและปฏิบัติภาวนาธรรมถ้าหากใครผู้ใดนะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็แล้วแต่ถ้าไม่เจตนาก็เบาหน่อยถ้าเจตนาก็หนักหน่อยทำซุ่มเสียงด้วยความประมาทขาดสติสัมปชัญญะ คุยกันเออะมะเทิงในระหว่างเขาปฏิบัติธรรมก็ดีในระหว่างเขาฟังธรรมก็ดีผลตรงกันข้ามคืออย่างไรถ้าว่าเขากำลังปฏิบัติธรรมใจดิ่งจะสงบอยู่อีกคนหนึ่งทาเสียงโวยวายคุยกันจกแจ๊กจกแ จ, กจก๊กให้เขาตื่นจากสมาธินั้นผลละกรรมนี้อย่างน้อยสองประการ หนึ่งตนเองไม่เข้าถึงธรรมนั้นเพราะไปกำบังไปทำลายสมาธิจิตของเขาให้เขาถอนจากสมาธิให้เขาถอนจากธรรมะที่กำลังพิจรารณาที่กำลังดิ่งอยู่เราเป็นอุปสรรคเขาเพียงไรสะท้อนย้อนกลับมาสู่เราเพียงนั้นให้เข้าถึงธรรมเช่นนั้นไม่ได้นานเท่านาน เหมือนกับเธอเอาก้อนหินโยนลงไปในบ่อมันกระเพื่อมเป็นวงไปกี่รอบผลลกรรมดีก็ตามผลกรรมชั่วก็ตามติดตามให้ผลหลายพบหลายชาติถึงร้อยพบร้อยชาติและถึงนับพบนับชาติไม่้วนขึ้นอยู่ที่น้ำหนักของการกระทำความไม่ดีนั้นเป็นไปด้วยอํานาจของกิเลสคือความหลง โมหะหรือโทสะหรือโลภะเพียงไรขณะนี้สาธุชนกำลังติดตามรับฟังสารธรรมจากรายการธรรมสู่สันติที่จบไปนั้นก็เป็นธรรมบัญญายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณหรือหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยยะมังคลโลในเรื่องวิธีปฏิบัติตนในเขตพุทธศาสนสถานซึ่งเป็นตอนที่สอง ธรรมะเรื่องนี้ยังเหลืออีกอยู่หลายตอนแต่วันนี้เวลาของทางรายการก็หมดลงเพียงเท่านี้ขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจโปรดติดตามสารธรรมจากธรรมะบรรยายเรื่องนี้ได้ในครั้งต่อไปก่อนจากกันอาตมาขอส่งท้ายด้วยพุทธศาสนสุภาษิตในข้อที่ว่าอาศันโตนิระยางเนนติสันโตปาเป็นติสุขติ แปลความว่าคบคนชั่วย่อมพาไปนรกครบคนดีย่อมพาไปสู่สวรรค์รายการธรรมะสู่สันติวันนี้ขอลาท่านสาธุชนไปก่อนโปรดติดตามสารธรรมจากทางรายการได้ในครั้งต่อไปขอความสุขความเจริญจงมังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร